ก้าสิบแปดนาวเด็กอกสันธานซ้อนสันธานดูอบเลยคนยุงเียอยการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปลาวยาจูยาเอสติสเบลา said โทรลาซิกา รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปเ e ขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ On, เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา้าเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ She on, เธอเคยอยู่ทั้งในแมาดริดและในลอนดอนเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ She เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย estas a, set mal เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย She estas eta, set เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยนนาาวดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียนโนและกีตาร์ากการดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบา้า ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเลย์มิชาต์สเน็โอปอเร่เน็บัลเล่นยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นยูเปรียนรูเอวิเวนัสเดสเลีฟรูเวิโพลสีริคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียร์คร้านขึ้นเท่านั้นยูเปลีมาลิยูนาอันี้อจัสเดสเลีนคอนฟอร์ตาอันี้อจัส